จะสง่งงานบ้านบ้างไม่มีดีละไม่ยกเลยนะหลงพ่อเทศที่นี่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไม่อยู่ละพรุ่งนี้ไปเทศมศท อ, อาทิตย์ต่อไปไม่อยู่ ไ, ไปแอดมิด ที่ศรีลาดไปเช็คอาทิตย์ถัดไปไม่อยู่ไปเทศที่ลาวงั้นจะไม่ไม่ได้เปิดวัดอีกสองอาทิตย์รวมพรุ่งนี้ด้วยเป็นห้าวันห้าวันนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนแล้วไม่ได้เปิดทีนี้ เมื่อกี้ถามแล้วว่ามีใครจะส่งอันบ้านไหมไม่มียกมือนะก็ผ่านการส่งอันบ้านไปอย่าทำจิตอย่างนั้นอย่าบังคับจิตเข็นจิตมากไปการทำสมาธิจะทำให้ถูกหลัก ทำผิดแล้วมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิไปอย่าเพ่งรู้สึกไหมเราบังคับตัวเองอยู่เลิกซะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยหลวงพ่อทำสมาธิมาตั้งแต่เจ็ดวบยี่สิบสองปีนะแยกแยะชนิดของสมาธิได้เยอะเลยถ้าสมาธิอย่างนี้จะเป็นมิจฉา มีชาสมาธิข่มจิตเอาไว้อย่างแรงเลยปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวแล้วมีส ต, ติตามรู้เราจะได้ปัญญาถนะ้าข่มให้นิ่งปัญญาจะไม่เกิดมันจะรู้สึกว่าดีจังเลยไม่เหมือนคนอื่นเขาดังนั้นต้องปล่อยอย่าไปบังคับจิตเราให้การเรียนรู้กับจิตเราไม่ได้บังคับจิต จิตมันก็เหมือนเด็กบังคับมากเด็กมันเครียดนะเรามีหน้าที่ให้การเรียนรู้กับลูกหลานกับเด็กอะไรเงี้ยให้เขาเรียนรู้สิ่งที่จิตควรจะเรียนรู้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้เนี้ยเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตัวนี้เป็นของสำคัญที่จิตควรจะเรียนรู้ ถ้าจิตได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับถึงจุดหนึ่งจิตจะได้ธรรมะจะได้ดวงตาเห็นธรรมส่วนการบังคับจิตให้นิ่งนั้นจิตจะไม่เห็นธรรมะจะเฉยๆยอยู่งั้นกี่ปีกี่ชาติก็เฉยๆยเจ้าชายเศรษฐาตอนเป็นเด็กไปงานแลกนากวัน พวกพี่เลี้ยงเอาท่านไปไว้ใต้ต้นว่าหรือต้นอะไรจาไม่ได้ล้ให้ท่านอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ตัวเองหนีไปดูพระเจ้าสุดโทธนาไถนาสมัยน้้นพระเจ้าแผ่นดินไถเองเดี๋ยวนี้เรามีพระยาแลกนาระหว่างที่พี่เลี้ยงไม่อยู่เจ้าชายสิทธัตถะอยู่คนเดียวเนี่ยท่านลุกขึ้นมานั่งสมาธิ หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าไม่ได้นั่งอย่างโยมนั่งนะโยมนั่งบังคับตัวเองถ้านั่งด้วยความรู้สึกตัวนั่งด้วยใจที่สบายรู้ตัวไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวในสุดจิตก็รวมเข้าปฐมฌานแค่ปฐมฌานนะที่ท่านเข้าตอนเด็กๆปฐมฌานยังมีวิตกยังมีวิจารณ์เนี่ย จิตยังจับอยู่ในแสงสว่างหรืออยู่จับอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้สึกตัวอยู่แล้วรวมลงไปไม่ได้ไปจับแสงตามแสงไปจิตอยู่กับตัวเองพอตอนเวลามันผ่านไปนะเงาแดดมันไม่เคลื่อนมันมีเคลื่อนที่ถ้ายังนั่งอยู่ในร่มภาวนาไปเรื่อย พระเจ้าสุทธทนะมาเห็นนะว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ท่านนั่งอยู่นะร่มเย็นในที่ที่ท่านนั่งอยู่นะร่มเย็นแม่เราร้อนอะไที่อื่นร้อนจะแย่ละพระเจ้าสุทธทนะกราบกราบลูกชายนะรู้สึกอัศจรรย์อัศจรรย์ใจ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะอายุยี่สิบเก้าปีเห็นโลกไม่มีสาระแก่นสารลนะท่านก็ออกจากวังไปบวชในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกว่าหนีออกมานะท่านบอกว่าออกจากวังมาพ่อท่านน้ำตานองหน้าว่าลูกจะ อ, ออกไปบวชอย่างเงี้ยไม่อยากให้บวช มีลูกชายคนเดียวเหมือนยุคนี้ส่วนใหญ่ก็มีลูกคนเดียวเวลาลูกจะมาบวชเนี่ยนะพ่อแม่น้ำตาหนองหน้านะทีแรกเขาขอบวชเดือนหนึ่งสองเดือนเลยก็ให้นะพอเขาขอต่อไปนานๆเนี้ยเศร้าโศกลูกน้อยไหมถ้าลูกเยอะแบบเมื่อสา4สิบสี่สิบปีก่อนนะไปบวชสบ้างละดีนะสบาย เจ้าชายสิทธาตาออกบวชนะพ่อร้องไหนะ้มีลูกคนเดียวสิ่งที่ท่านทำเมื่อตั้งใจจะไปบวชไปหาฤาษีไปฝึกนั่งสมาธิมันก็เหมือนที่พวกเราคิดแหละแบบเดียวกันแหละคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไรก็คิดถึงการนั่งสมาธิเมื่อนั้นนั่งสมาธิก็ต้องไปหาฤาษี ถ้ไปฝึกเข้าฌานอย่างฤาษีนะจนถึงฌานที่แปดฌานของฤาษีมันฌานออกนอกใจไปข้างนอกไปจับอยู่ในความว่างความไม่มีอะไรเลยเหลือความรู้สึกตัวอยู่นิดเดียวเกือบจะไม่รู้สึกเคลิมเคลิมนะเหมือนกึ่งหลับกึ่งสลบอะไรอย่างนั้นนะ พาท่านออกจากฌานที่แปดท่านได้ฌานที่แปดในเวลาอันสั้นเพราบารมีท่านเยอะพวกเราถ้าไปถึงในตรงนี้เราไม่ไปไหนแล้วกูเก่งท่านฉลาดบารมีท่านมากท่านเห็นว่าตรงนี้ไม่มีสาระเลยระหว่างอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานไม่มีกิเลสแต่พอออกจากฌานมากิเลสหนักหนาสาหาัสไม่ผิดปกติไม่ผิดจากคนปกติเลย ดีไม่ดีแรงกว่าคนธรรมดาพวกที่ติดสมาธิเนี่ยพอจิตถอนออกจากสมาธิหลุดออกมานะร้ายกว่าคนปกตินะต้องระวังนะเราอย่าไปเพลิดเพลินพอใจกับมันเจ้านะชายสิทธัใช้เวลาไม่นานก็จับได้ว่าตรงเนี้ยผิดท่านไปบังคับจิตให้นิ่งบังคับจิตให้สงบไม่ถูก ว่าบังคับจิตแล้วไ ม, ไม่ไม่บรรลุมรรคผลแล้วนะเจะลาออกจากสำนักอาจารย์อุทากดา บ, บทอาจารย์ก็พยายามต่อรองบอกให้อยู่ร่วยกันเถอะจะตั้งให้เป็นผู้ช่วยสอนคล้ายๆหลวงพ่อเนี้ยจะตั้งให้เป็นผู้ช่วยสอนชจา้าชายสิทธัตถะไม่เอารู้สึกว่าไม่มีสาระ่บังคับจิตไม่สำเร็จ มาบังคับกายทรมานกายอยู่หลายปีรวมแล้วหกปีถึงจุดหนึ่งท่านก็เห็นว่าการบังคับจิตก็ไร้สาระการบังคับกายก็ไร้สาระท่านคงจะระลึกถึงตอนเด็กๆสมาธิตอนเด็กๆของท่านในตำลารุ่นหลังๆพูดเรื่องพระอินมณีดกีตาให้ท่านฟังนะสายที่ตึงไป ขาดสายที่หย่อนไปก็ไม่เพราะสายที่ขึงพอดีดีไฮรอเป็นซิมบอลิกเป็นสัญลักษณนะ์ก็คือท่านเริ่มเข้าใจแล้วตึงเกินไปไม่ได้หย่อนเกินไปไม่ได้ท่านหย่อนเกินไปตอนไหน หย่อนเกินไปตอนเป็นเจ้าชายอยู่กับโลกเสพสุขเสพสุขไปเรื่อยๆไม่ได้พ้นทุกตึงเกินไปก็ตอนที่เริ่มมาบังคับกายมาบังคับใจนั้นตึงเกินไปทางสายกลางที่ท่านนึกได้ก็คือสมาธิตามธรรมชาติที่ท่านเป็นตอนเด็กๆถ้ากลับมาทำสมาธิใหม่ตั้งใจเลยว่าเนี่ยรู้จักทางสายกลางแล้วตรับใดที่ไม่บรรลุ เป็นพระอาหารหันต์จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้อีกต่อไปแล้วตายก็ตายแล้วทำไมยอมตายก็ตายเพราะว่าสู้มาสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วมันไม่บรรลุอ่ะอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเลยตายก็ตายยอมแล้วเนี่ยใจของผู้ปฏิบัตินะมันจะห้าหารอย่างนี้ในวันที่แตกหักเนี่ยมันห้าหารมากแบบยอมตายเลยเสร็จแล้วท่านก็นั่งทาอาณาปณสติ หายใจออกด้วยความรู้สึกตัวหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวจนลมหายใจระ ง, งับลมหายใจระ ง, งับแนละ้วจิตมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นท่านดูปีติสุขดับไปจิตเป็นอุเบกขานะแล้วท่านก็ดูไปเรื่อยนะจิตมีปีติมีความสุขก็มีความพอใจชอบนะมีราคะจิตไม่มี ปีติไม่มีความสุขไม่ชอบอนีท่านเข้ามาดูถึงจิตใจได้จิตใจที่เป็นกุศลเป็นอกุศลท่านเดินปัญญาไปเรื่อยๆนะสุดท้ายท่านก็มาเดินปัญญาขั้นสุดท้ายมาดูปฏิจจสมุปบาทอะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่ชาติมีอยู่ทุกถึงมีอยู่สิ่งที่เรียกว่าชาติคือการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยตา หรือหูหรือจมกูกหรือลิ้นหรือกายหรือใจขึ้นมาหยิบทีลาอนนะไม่หยิบทีละหกมันหรอกเวลาจะดูรูปจิตก็ไปหยิบตาเวลาจะฟังเสียงจิตก็ไปหยิบหนะูหยิบขึ้นมาใช้งานทีรัทวารทุกครั้งที่จิตไปหยิบเวยเอาอายตนะขึ้นมาเนะี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีเลย เพราะจริงๆแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจคื อ, คอรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนะคือตัวทุกข์ทันทีที่หยิบฉวยขึ้นมาก็ทุกข์ทันทีท่านก็ดูต่อไปอะไรทำให้จิตไปหยิบฉวยพบพบพบก็คือสภาวะต่างๆนั่นเองเป็นสภาวะที่ดีบ้างสภาวะที่ชั่วบ้างสภาวะที่ปรุงแต่งขึ้นมา คือความปรุงแต่งทั้งหลายนั่นแหละอย่างพวกเราเวลาเป็นนักปฏิบตัติเราก็สร้างพกพของนักปฏิบัติภพของนักปฏิบัติจะหน้าตาอย่างนี้เหมือนที่โยมเป็นเนี่ย ชัดเจนไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่อันเนี้เป็นภพของนักปฏิบัติสามใดที่ยังติดอยู่ตรงนี้นะปัญญาจะไม่เกิดเลยมันจะไม่เดินปัญญาในภพลักษณะนี้นะต้องปล่อยนะปล่อยให้ได้ไม่งั้นจะเกิดพลังงานแบบที่ไปรังแกคนอื่นได้นะพลังเข้มแข็งมากเพ่งใส่ใครเนี่ยตัวเขาเดือดเลยปวดปวดปวดปวดเลยดีไม่ ด, ดีเขาตีเอาเพราะเขาเดือดนะ พบก็คือความปรุงแต่งของจิตใจทำไมมันปรุงแต่งนะเพราะว่ามันยึดถือนะมันยึดอะไรมันยึดในรูปเสียงกลิาา่นรสโผฏฐะมะมันยึดว่าวิธีปฏิบัติที่ดีต้องทำอย่างนี้มันยึดว่าตัวเรามีจริงๆเนะนี่ยมันยึดเนี่ยอุปาทานสี่ตัวนะทำไมมันยึดเพราะมันอยาก อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรอยากไม่มีอยากไม่เป็นมีความอยากขึ้นมาใจก็จะเข้าไปยึดนะใจไปยึดปุ๊บใจก็จะดิ้นรนเป็นภพพอใจดิ้นรนนั้นก็จะหยิบฉวยเอาตาหูจมกูกลิ้นกายใจขึ้นมาเพื่อจะเอาไปเสพอารมณ์ในภพนั้นนะแหละแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีนะี่เจ้าชายท่านมองนะมองมองย้อนลงไปจนทํำลายอาวิชชาได้ สิ้นชาติสิ้นภพจบพรหมาจรรย์สิ้นชาติสิ้นพบเราพูดง่ายๆสิ้นชาติสิ้นพบเราพูดอยู่เรื่อยๆเราไม่รู้ชาติคืออะไรพบคืออะไรเนี่ยอยากภาวนาให้สิ้นชาติสิ้นพบใจดิ้นปัดปัดปัดปัอยู่นะสร้างพบอยู่ไม่เห็นหออกมันจะสิ้นได้ยังไงมันสร้างอยู่กระทั่งพ่อของนักปฏิบัติก็ไม่เอานะเวลาเราเจอสาว เราจะเจีบสาวเราก็ต้องสร้างภพของสุภาพบุรุษสุดหลอ่อใช่ไหมว่ายังไงครับนะทําเสียงนุ่มๆนะเวลาเราจะหลอกนุ่มๆอ่ะผู้หญิงอย่หลอกนุ่มๆใช่ไหมก็วางมาตรู้สึกไหมเนี่ยสร้างภพสร้างภพของกุลสตรีขึ้นมานี่จริงสตรีเลยนะไม่ใช่กุลสตรีเลยนะ <laughs> เป็นพ่อจะคุยกับลูกก็ต้องใส่หน้ากากของพ่อเป็นนักเรียนจะคุยกับอาจารย์ก็ใส่หน้ากากของนักเรียนอย่างเราคุยอยู่กับเพื่อนสมมติเราเป็นครูนะเราคุยอยู่กับเพื่อนเฮฮาเฮฮาพอลูกศิษย์มาเราต้องทำเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนภพแล้วสร้างมันขึ้นมาเรื่อยๆใส่หน้ากากชนิดต่างๆ เรารู้เข้าไปเรื่อยรู้เข้าไปนะรู้เข้าไปใจมันสร้างอะไรจอมปลอมขึ้นมาก็รู้เข้าไปอย่างโยมผู้หญิงเนี้ยใจมันอ่อนประตะิริแล้วรู้สึกไหมใจมันเริ่มสลดลงมาแล้วมันเริ่มสลดสังเวชแล้วว่าไอ้ที่ทำอยู่ไม่ถูกหรอกนะไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อสะสมกิเลสมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกว่าคนอื่นด้วยซ้าไปนะ งั้นเราค่อยๆสังเกตค่อยๆดูของเราไปจิตจะค่อยเข้าใจความจริงความจริงก็คือสิ่งใดมันเกิดสิ่งนั้นมันก็ต้องดับไม่มีอะไรถาวรทําไมในโลกนี้ไม่มีอะไรถาวเรเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรถาวรแต่สิ่งที่เหนือโลกนี้มีสิ่งที่ถาวร อ, อยู่อย่างเดียวคือนิพพานนิพพานเที่ยงนิพพานเป็นบรมสุขแต่นิพพานไม่มีเจ้าของ และนิพพานก็ไม่บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของนิพพานด้วยแล้วก็ไม่มีใครมาครอบครองได้นอกนั้นเป็นของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นสภาวธรรมทั้งหลายล้วนแต่เกิดแล้วดับยกเว้นนิพพานเป็นสภาวธรรมอันเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับเราจะมาเรียนรู้สิ่งที่เกิดแล้วดับเรียนไปเรื่อยๆนะจนใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตัวนี้ได้โสดาบัน ไม่หลงผิดละมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกแล้วก็เรียนรู้ต่อไปไอ้สิ่งซึ่งมันมีอยู่นั้ะที่มันเกิดแล้วมันดับอ่ะจริงๆมันเป็นอะไรมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้เห็นอยู่แล้วพระโสดาบันเห็นอยู่แล้วมีแต่สภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเห็นไปเรื่อยๆต่อไปปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะรู้ รูปธรรมคือตัวทุกนามธรรมคือตัวทุกข์ตัวนี้เห็นยากนะยากที่สุดเลยตรงที่เร า, าสามารถเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุก์เนี่ยเป็นจุดที่ยากที่สุดของการปฏิบัติการเห็นร่างกายเป็นตัวทุกยังไม่ยากเท่าไหร่รู้สึกไหมร่างกายเราทุกอะไรเงี้ยแต่ยังรู้สึกแบบพวกเรานะนจะรู้สึกร่างกายทุกบ้างสุขบ้างถ้าวันใดที่เราเข้าใจความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุก มีแต่ทุกมากกว่ทุกน้อยเราจะได้พระอนาคามีมันจะไม่ยึดในกายไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายนะเพราะฉะนั้นจิตก็จะไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายในรูปเสียงกลินล่นรสผดทพะสิ่งที่กระทบกาย ก, ก็ละกามและปฏิฆาไดนะ้เป็นพระอนาคามีาเมื่อภาวนาไปอีกยังเห็นว่าจิตเนี้ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่กายเนี้ยเป็นทุกข์ล้วนๆแล้มีแต่ทุกมากกว่ทุกน้อย ภาวนาไปจนเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะจิตจึงจะปล่อยวางจิตได้ที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นนะเพราะเราปล่อยทิ้งหมดแล้วทั้งกายทั้งจิตสิ่งที่เป็นตัวทุกข์ก็คือรูปนามกายใจนี่เองที่เรียกว่าทุกข์ไม่ใช่อกหักรักคุดเป็นทุกข์นะนั่นเป็นแค่อาการปรากฏเท่านั้นเองเวลาอกหักแล้วทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจอกหัก เป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจใครว่าทางกายยกมือถ้ายกมือเนี่ยจะบอกให้ไปยกเท้าแทนเป็นทุกข์ทางใจถ้าถูกตบละ่ะทางกายเห็นไหแล้วก็แขนมันเกิดทุกข์ทางใจอสองชั้นซ้อนกัน ค่อยๆรู้ไปนะเพอเราไม่ยึดกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายไม่ยึดจิตก็จะไม่ทุกข์เพราะจิตใจอีกต่อไปที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้นะถือศีลอย่างน้อยห้าข้อฝึกสมาธิที่ถูกต้องถ้าฝึกมิจฉาสมาธินะเจ้าชายสิทธัตถะจะบอกว่าท่านพุทธทาสท่านใชคำว่าชิบหายนะ้ ท่านบอกท่านพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยท่านคิดว่าใครจะรู้ธรรมานี้ได้ให้คิดถึงดาบดอาจารย์เก่าท่านสององนะอารารดาบดกับอุทกดาบดสองคนเนี่ยได้ถึงอรูไปฌานนะจิตละเอียดมากแล้วถ้าสะกิดให้เดินปัญญา น, นิดเดียวนะจะหลุดพ้นเลยท่านก็นึกได้ะระลึกก็มารู้ว่าดาบดสององเนี้ยตายแล้วท่านก็อูทานขึ้นมานะว่าพลาดโอกกาส อันใหญ่เสียโอกาสอันใหญ่ท่านพุทธทาสพูดง่ายๆชิบหายแล้วไปเกิดเป็นพรอมนะหมกชิบหายแล้วคือพลาดชิบหายจากอะไรชิบหายจากสิ่งซึ่งมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่คือธรรมะงั้นฝึกสมาธิก็ฝึกให้ถูกแล้วก็ไม่ทำจิตสงบอยู่เฉย ให้มาเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยเรเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเบื้องกลางจะเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกเบื้องปลายจะเห็นว่าใจนี้คือตัวทุกนะปัญญาจะแก่กล้าเป็นลำดับไปค่อยๆฝึกนะแล้วชีวิตจะมีความสุขไม่ต้องรอชาติหน้าบางคนนึกคิดว่าชาตินี้ลาบากชาตินี้มีความทุกข์เยอะ ทำบุญให้มากชาติหน้าจะได้สบายนี่เรียกว่าประมาทนะตัวเองจมอยู่ในความทุกข์เดี๋ยวนี้ก็ต้องแก้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปแก้ชาติหน้าทฤษฎีไปไปเอาดีชาติหน้านี่เป็นทฤษฎีเหลวไหลนะทําไมไม่เอาดีตั้งแต่ชาตินี้ชาตินี้ขี้เกียจภาวนาเลยใส่บาตรอย่างเดียวเดีย ว, ว่าชาติหน้าจะไปภาวนาเหรอชาติหน้าก็ยิ่งไม่ภาวนาใหญ่ขี้เกียจนิสัยไม่หายนะหมื่นปียังไม่เปลี่ยนเลยนิสัย งั้นเปลี่ยนมันวันนี้เลยหักหานกับมันนะรักษาศีลไม่เคยตั้งใจรักษาตั้งใจไว้ต่อไป น, นี้ไม่ยอมทำผิดศีลห้าข้อแบ่งเวลาไว้ทุกวันต้องทำในรูปแบบนะใช้ใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่ต้องเป็นกรรมฐานที่ไม่ทำให้กิเลสแรงกว่าเก่านะอย่างพุโทโธเนี่ยไม่ทำให้กิเลสแรงทำโมสังโคไม่ไม่ทำให้กิเลสแรง พิจณากายผมขนเล็บฝันหนังเนี่ยไม่ทำให้กิเลสแรงเนี่ยค่อยดูไปทำกรรมฐานซึ่งมันไม่ยั่วกิเลสหรือพิจารณาความตายอย่างเราไปงานศพเนี่ยเนี่ยวันจันทร์หลวงพ่อจะไปเผาศพมีเทศด้วยนะใครอยากฟังเทศก็ไปฟังได้ที่วัดอะไรวะวัดเขาดินเขาดินเขาลือไปแล้วไม่ใช่หรือ วัดเขาดินอยู่ศรีราชาศรีราชานะอย่างเราเพิจารณาความตายนะยจิตก็สงบนะแต่ถ้าพิจารณาว่าไม่อยากให้ตายเนะี่ยจิตทุรนทุรายนะแต่พิจารณาให้เห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาจิตสงบเราทําทานมาดีเราคิดถึงทานของเราจิตสงบ ่เราไปปล่อยบัวปล่อยควายนะเราพวกเราชอบไปปล่อยปลาจริงๆทําลายสิ่งแวดล้อมนะพวกปล่อยปลาเนี่ยทาลายระบบนิเวศเราไปเอาปลาช่อนต่างประเทศมาปล่อยกันปลาดุกปลาดุกต่างประเทศมาปล่อยมันกินปลาไทยหมดเลยนะปลาตัวนี้ร้ายมากเลยเราไม่ได้ปล่อยปลาหมอปลาอะไรของเราเองเอาปลาต่างจนเข้ามาแล้วระดมโหมลงไปนะ บุญมากปล่อยหนึ่งตันนะโหนับจำนวนไม่ท้วนเลยปลนะ่อยทิย้งเป็นตันตันลงไปเต็มแม่น้ำเลยปลาอื่นย่อยยับหมดเลยนะเสียระบบนิเวศมากเลยถ้าจะปล่อยเขไปหาปลาไทยมาปล่อยก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอีกนี่ปลาท้องถิน่นถ้าเราทำทานมาดีเวลาเราคิดถึงทานที่เราทำแล้ว อย่างเช่เราไปปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยปลาที่ดีๆนี่ยนะนะส่งเสริมระบบนิเวศหรือปล่อยวัวควายเราก็นึกหนึ่งเราได้ช่วยชีวิตมันนะต่ออายุมันแล้วใจเราปลืม้มอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้บุญนะแต่พอเราปล่อยวัวควายไปแล้วเราตั้งใจขอให้วัวควายรับเอาโาครคภัยไข้เจ็บของเราไปนะขอให้เราแข็งแรงแทนวัวควายนะได้ไปเกิดเป็นควายแน่พราะโง่ นะอย่างนั้นใจไม่เป็นกุศลนะใจไม่ได้เป็นกุศลไป น, นึกถึงแล้วใจไม่ได้เบิกบานแต่ถ้าเราคิดว่าเราได้ช่วยอย่างบางคนนะเห็นหมาเห็นแมวสงสารมันนะให้ข้าวมันกินสักมื้อหนึ่งนะนึกถึงนะอย่างอิ่มใจนะตัวอิ่มใจนะั่นแหะตัวบุญเรานะไม่ใช่ตัวกิเลสนะตัวอยากได้อยากดีเนี่ยให้มันกินแล้วต่อไปเวลาเราอด อ, อยากคนเขาจะได้ให้เราบ้าง นี่ลงทุนนะมันคือการลงทุนมันไม่ใช่บุญบุญมันต้องลดละกิเลสถึงจะใช้ได้บุญอย่างนั้นมันก็บุญเหมือนกันแหะแต่ไม่เป็นกุศลไม่ฉลาดนั้นต้องเป็นกุศลนะคือฉลาดในการลดละกิเลสถึงจะดีนี่นสมมติเราทำมาดีแล้วเรานึกถึงใจมันจะเบิกบานใช่มมีสมาธิเกิดขึ้น เรารักษาศีลมาดีเช่นตลอดทรรษาเนี่ยเราไม่กินเหล้าเรารักษาได้ข้อเดียวในห้าข้อนะรักษาอยู่ได้ข้อเดียวไม่กินเหล้าในระหว่างพรรษาพอสําเร็จออกพรรษามานะรละลึกได้ว่าโอ้ตลอดทรรษาเราไม่ได้กินเหล้านะจิตมันจะเกิดปีติขึ้นมานะสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองเนี่ยทาทานถือศีนอะไรไปจเจริญเมตตาก็ได้ถ้าเราขี้โมโหแล้วเรจเริญเมตตาไปเรื่อย จเจริญเมตตาคำว่าเมตตาฟังแล้วแปลยากภาษาที่เราจะเข้าใจในยุคนี้คือความเป็นมิตรรู้จักความเป็นมิตรไหมต่อไปก็คงต้องเปลี่ยนภาษาอยูความเป็นมิตรต้องแปลอีกว่าคืออะไรรู้สึกเป็นเพื่อนรู้สึกเป็นมิตรกับผู้อื่นกับสัตว์อื่นกับสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เรียกวเราเมตตาเมตตาไมตรีมิตรรากศัพท์มันตัวเดียวกัน พระเมตไตรเคยได้ยินไหมพระเมตไตรเราเรียกกันว่าพระศีอ่าน์พระเมตไตรก็คือคําว่าไมตรีนี่เองถ้าเรามีไมตรีกับคนอื่นกับเราเป็นศัตรูกับคนอื่นเวลาเจอคนที่เรามีไมตรีด้วยสบายใจใช่ไหมเจอคนที่เราเกลียดนไม่สบายใจงั้นอย่างเราจเจริญเมตตามองคนอื่นด้วยความเป็นมิตรหมดเลยนะ เรามีความสุขนะสมาธิมันเกิดเองเนี่ยวิธีให้สมาธิเกิดนะั้นง่ายๆไม่จะต้องนั่งบังคับสมาธิมไม่ค่อยเกิดหรอกโทสะมันเกิดแทนนะโมโหตัวเองย่างนีเมื่อไหร่มันจะสงบเนี่ยแบ่งเวลาทนะุกวันซ้อมซ้อมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปก็ได้ อะไรก็ได้ที่มันดีๆทำมันสะอย่างหนึ่งทำทุกวันนะแล้วถ้าต้องการวันนี้ต้องการพักผ่อนให้จิตสงบนะก็เอาความรู้สึกไปจับอยู่ที่อารมณ์กรรมาฐานเช่นเอาความรู้สึกจับไป้ที่ลมหายใจจิตยศสงบนะถ้าวันนี้จิตเรามีกำลังแล้วเราจะเดินปัญญาเรารู้เท่าทันจิตไม่ได้ไปรู้อารมณ์กรรมาฐานแนละ้มีอารมณ์กรรมาฐานเป็นแบ็คกราวด์เช่นหายใจออก หายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำเถอแต่ไม่ได้ไปดูที่ลมหายใจคอยรู้เท่าทันจิตไหมจิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นก็รู้รู้ทันจิตแล้วจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมางั้นเวลาเราทำในรูปแบบถ้าวันไหนจิตเราฟุ้งซ่านมากเราทำสมาธิสงบตัวเด่นในการทำสมาธิสงบคืออารมณ์ถ้าเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นตัวที่เป็นหลักตัวเด่นเป็นพระเอก คือตัวจิตรู้ทันจิตเวลามันทิ้งอารมณ์ถ้าฝึกอย่างนี้มันกลับกันนะอันหนึ่งใช้อารมณ์เป็นเระเอกเอาจิตเนี่ยเข้าไปจับนิ่งๆอยู่ในอารมณ์เคริบเคลิมสบายอยู่กับอารมณ์อันนี้ได้แต่อารมณ์อารมณูปนิชานจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าจะให้จิตตั้งมั่นทำกรรมฐานอันหนึ่งจิตไหลไปที่อารมณ์นี้ก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้ ดูจิตเป็นพระเอกไว้นี่พอใจเรามีกําลังละจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูมีสติสัมปชัญญะแล้วเดินปัญญาเดินปัญญาเนี้ยออกมาเดินอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยง่ายไปเดินในฌานก็ทําได้นะแต่พวกเราไม่ ช, มนานชาํานาญฌานเดี๋ยวมันจะฟุ้งอยู่ข้างในถ้าชํา น, นาญในฌานเนี้ยไปเดินปัญญาข้างไหนได้อย่างบันทีเรานั่งไปนะหเห็นความไหวพุดขึ้นกลางอกนะ ไม่มีอย่างอื่นเลยในโลกนี้มีแต่ความไหวที่ผุดขึ้นกลางอกแต่จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากเนะี่ยมันเห็นทุกอย่างที่เกิดแล้วดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทําไมเรียกว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเรียกว่า something บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรจิตไม่เข้าไปมีสัญญาหมายนะว่ามันคืออะไรสัญญาเข้าไปหมายอย่างเดียวคือมันเกิดแล้วมันดับแต่จะไม่ไปหมายว่ามันคืออะไร อนนจิตมันไปเดินปัญญาอยู่ในฌานหรือบางทีมันก็ไปเดินปัญญาในฌานนะเห็นองค์ฌานเกิดดับเห็นปิติเกิดปิติก็ดับความสุขเกิดความสุขก็ดับอุเบกขาเกิดอุเบกขาก็ดับอย่าง น, นี้ก็ได้แต่ถ้าเราทําไม่เป็นเราเจริญปัญญาอยู่ในโลกข้างนอกนี้แหละ ว, วิธีเจริญปัญญาในโลกข้างนอกนี้ก็คือเมื่อตาเห็นรูปความรู้สึกของเราเป็นยังไง อรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสความรู้สึกของเราเป็นไงรู้ทันเมื่อใจคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกเป็นไงรู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะเช่นเห็นหน้าเห็นหน้าคนนี้เราะล้ลำคานะวันนี้ทำหน้าตาพิลึกให้ผมยุ่งยุ่งนึกว่าเทนะสมมุตอย่างนี้นะพอไม่ชอบนะ มันคิดจะว่าเขาอย่างนู้นอย่างเงี้ยเนี่ยนะรู้ทันเลยเนะี่ยที่จริงอิดชาเขาเขาสวยกว่าเรามันก็ว่าเขาใหญ่เลยก็รู้เนี่ยโอ้โหโทสะมันขึ้นนะมันอิดชา้าน่าอะไรเงี้ยเนี่ยรู้ทันอย่างเนี้ยเรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจําวันนะเดี๋ยถ้าเราไปมองแล้วก็โอ้ผมจิกย่อยน่ารักดีเห็นไหมกับข้างคิดไปนในทางบวกสวยอย่างน้อนดีอย่างนี้นะนราคากเกิดพอใจ รู้ว่าพอใจนะตาเห็นรูปจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้จิตโลบโกรดหลงอะไรขึ้นมาก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้อย่างเราเห็นพระบิณฑบาตถ้ะเดินมาบิณฑบาตนะบางคนเห็นแล้วโอ้ปลื้มใจพระาศาสนายังเหลืออยู่ปลื้มใจอยากใส่บาตรแต่ไม่มีอะไรจะใส่นะมีแต่ตัวเองวันนี้ยกตัวเองใส่บาตรก็ไม่ไหวอ่ะพระก็คงไม่เอา ไม่มีอะไรจะใส่แต่ว่าได้เห็นเราปลื้มใจว่าพระศาสนายังอยู่อะไรเงี้ยนี่ก็ได้บุญแล้วนะรู้ว่าปลื้มใจนี่ยิ่งเป็นกุศลเลยแค่ปลื้มเฉยๆเนี่ยเป็นบุญถ้าฉลาดรู้เท่าทันว่าจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลนี่ฉลาดแล้วนั่นเป็นกุศลมากเลยรู้เท่าทันจิตตัวเองคนที่เดินไปกับเราสมมติเราไปกับเพื่อน เราเห็นพระบินทบาทเราปลื้มเราได้บุญนะเพื่อนโทรพระเก๋เปล่าว่าใส่มันทําไมว่าพระมีแต่ข่าวไม่ดีเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะเห็นรูปอันเดียวกันน่ะบางคนเป็นกุศลบางคนเป็นอกุศลแล้วแต่จิตมันจะปรุงนะเงั้นเห็นพระองค์เดียวกันเนี่ยบางคนได้ดีนะบางคนไม่ได้ดีนะให้รู้ทัน ตามองเห็นแล้วจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันนะจิตสุขจิตทุกข์จิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลค่อยรู้ไปได้ยินเสียงเพราะๆเนี่ยใจมันชอบได้ยินเสียงนราหูใจไม่ชอบเนี่ยได้ยินเสียงเราจะนอนนะมันตีปี๊บเนี่ยรู้จักปีบไหมคนรุ่นนิมอาจจะไม่รู้จักนะปีบ ใครไม่รู้จักปีบยกมือสิมีไหมไม่รู้จักปีบอ่ะเหรออัศย์จันย์ดูไวแล้วไม่น่าจะใช่เลยเ <laughs> มื่อก่อนมันไม่มีถังพลาสติกไม่มีอะไรก็เอาสังกสีมาต่อบัตรกลีซ่ไม่ให้รว่าใส่น้ำได้ใส่อะไรได้ เล็กปี๊บพอใช้หมดนะเอามาตีเล่นหรื อ, อามาเตะเล่นสมัยโบราณวิธีวัดว่ายังหนุ่มอยู่คือเตะปี๊บดังแต่แต่ไม่ใช่ดังแป๊กแป๊กนี้นะไม่ใช่หมายถึงดังเปรี้ยงเลยนี่สํานวนเตะปี๊บดังเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักละเพราะไม่รู้จักปี๊บตีปี๊บรู้จักไหมตีปี๊บโฆษณาชวนเชื่อ ตีปีปอย่างเราจะนอนเนียคนมันมาตีปีปอยู่ข้างเราเนี่ยโมโหไหมเนี่ยหูได้ยินเสียงนะโทสะขึ้นมาให้รู้ว่าโทสะนี่คือการปฏิบัตินอนสบายสบายแม้ข้างบ้านเปิดเพลงเพราะช่ไฟังแล้วสบายใจสบายใจรู้ว่าสบายใจไอ้นียนักปฏิบัติสบายใจก็รู้ว่าสบายใจนี่เรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตจริงๆนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติพอกระทบแล้วเกิดความรู้สึกธรรมดายัางไงมีความรู้สึกอะไรขึ้นมารู้ไปอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันงั้นถ้าเราทำได้ทั้งสามส่วนหนึ่งถือศีลไว้สองทำในรูปแบบทุกวันฝึกไว้อย่างน้อยสักย0สนาที15นาทีเนะี่ยขอมาหลายปีแล้วปีนี้พัฒนานะ สินค้ายังขึ้นราคาเลยปีนี้ขอ20นาทีอย่างต่ำไหวไหมถ้าไม่ไหวแสดงว่าที่ขอไว้15นาทีไม่เคยทำนะถ้าทำ15นาทีแล้วทำ20นาทีนี่มันพอสู้นะเดี๋ยวปีต่อไปจะค่อยๆขอเพิ่มขึ้นปีนี้เพิ่มเป็น20แล้วนะเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะหลวงพ่อเคยกินก๋วยเตี๋ยวชามละบานใน่นี้ต้อง 60-70 นะนะกินไม่ลงนะ งั้นสิบห้านาทีไม่พอละล้ลาหลังเอาะยี่สิบทาในรูปแบบรักษาสี่ห้าทำในรูปแบบนะทำในรูปแบบนะแบบถ้าจิตฟุ้งซ่านมากน้อมใจไปให้สงบในอารมณ์เดียวถ้าจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ฝึกจิตให้คล่องแคล่วจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารูนะ้แล้วมันจะไปเดินปอย่าง่ายเวลาออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเห็นจิตเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วไม่เห็นก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าสุขทุกข์ไม่เห็นก็จะเกิดโบลบโกรดลงขึ้นมานะถ้าโบลบโกรดลงไม่เห็นคราวนี้ถูกกิเลสย้อมเต็มที่แล้วตกเป็นธาตกิเลส ช, ช่วยไม่ได้แล้วนะก็จะคิดชั่วพูดชั่วทาชั่วต่อไป่ถ้ารู้ทันก็ไม่คิดชั่วไม่พูดชั่วไม่ทาชั่ว ค่อยๆฝึกไปเรื่อยอยู่ในชีวิตเราเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปกระทบแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันอันนี้รู้ทันความรู้สึกเป็นวิธีดูจิตขั้นหยาบถ้าขั้นละเอียดเนี้ยไม่ได้ไปรู้โลบกรธหลงน่ะมันละช้าไปรู้สุขทุกข์กที่เกิดขึ้นสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นรู้ทันถ้าละเอียดขึ้นไปอีกจิตม่องไวจริงนะ จิตไปรับอารมณ์ต่างตารู้ทันจิตไปทางหูรู้ทางจิตไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้ทันนี่ไวที่สุดแล้วหลวงพ่อภาวนานะช่วงหลังๆหลว ง, นะงพ่อไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ฝึกอยู่แค่นี้เองตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยได้ทางสมาธิได้ทางปัญญาหลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อนะว่าการดูจิตเนี่ยจะได้สมาธิโดยอัตโนมัติ เราจริตเคลื่อนเรารู้เนี่ยสมาธิมันเกิดเองแล้วปัญญาผมก็จะเกิดด้วยมันจะเห็นเลยจิตที่รู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่เคลื่อนก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้ก็บังคับไม่ได้จิตที่เคลื่อนก็ห้ามไม่ได้อย่างนี้แหละค่อยๆฝึกไปพอศีลสมาธิปัญญาของเราดีแล้วไม่ต้องกลัวนะจะตายก็ไม่ต้องกลัววันข้างหน้าดีกว่าวันนี้แน่นอนศีลก็ไม่ดีเนะ่เวลาจะตายแล้วตายแล้ว เชือดคอไก่ทุกวันเลยจะทำยังไงเนี่ยจะตายแล้วนิมิตไก่ก็เกิดขึ้นมาเห็นไก่แลไปวม่มไก่ถูกเชือดต่อไปอ้าตรวจกันบ้านให้พวกอยู่วัดหน่อยแต่ว่าคนอื่นไม่มีใครยกมือเนี่ยวันนี้เมื่กีถามแล้วไม่มียกสักคนค่ะเมื่อกี้ออแต่ก่อนหลวงพ่อให้บอกว่าให้ไปหากรรมฐานอยู่สักอย่างหนึ่งนะคะแล้วหนูก็พุดโทรไปแล้วก็จิตลงไปก็รู้แต่ว่า หนูอยากทำกรรมฐานที่มันแบบพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะพอหนูพุทโธไปมันก็ไม่พักอะคะ่ะหลวงพอ่อเหมือนพอมันพุทโธจิตหลงไปมันก็รู้รู้ตลอดมันรู้ว่าหนูหนูเพ่งเกินไปหรือเปล่าค่ะตอนพุทโธแรงไปแรงไปต้องหย่อนอย่าไปจงใจมาก <c oughs> แล้วเวลาจิตเคลื่อนแลอรู้เคลื่อนแลรู้อะมันไม่รู้อย่างนี้ตลอดหรอกบางครั้งมันก็หยุดอยู่เฉยเฉยใช่ไหม ตัวที่อยู่เฉยๆมันได้สมาธิชนิดสงบแล้วเพราะว่าเมื่อวานก็ลองพุทโธไปถึงว่าตอนนั่งอะคะ่ะก็ลองพุทโธไปแล้วทีนี้มันก็รู้ไปเหมือนเดิมมันก็ไม่ยอมพุทโธอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะง้นเราก็เจตนาพุทโธให้ทีๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยให้ไวๆเราจะได้ไม่หลงไปดูจิตหลงไปดูจิตไปเดินปัญญาอีกแล้วไม่ได้พัก แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะหลวงพ่อคือหนูก็ดูจิตในชีวิตประจำวันไปอะค่ะแล้วมีอยู่ช็อตหนึ่งตอนหนุนั่งทํางานอยู่อะค่ะเหมือนก็รู้ปกติค่ะแล้วทีเนี้ยมันมีความสุขที่มันขึ้นมาแต่หนูไม่รู้ว่าหนูฟงหรือเปล่าอะค่ะหนูพยายามดูตรงๆไปมันก็ยังไม่หายอย่างเงี้ยทำไมต้องหายอ่ะความสุขตัวนั้นเกิดจากการปฏิบัติของเราน ะ, ะมันเกิดจากกุศลมันไม่ใช่อกุศลงั้นมันไม่จำเป็นต้องดับนะ แต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคะเพราราคะดับความสุขตัวนี้ก็จะดับไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะหลวงพอ่อที่ฝึกอยู่ดีนะแต่ จ, จุดที่ยังขาดคือสมาธิยังไม่พอค่ะดูนะใช่ค่ะเ อ, อนั่นแหละดูไปขอบคุณค่ะทําให้สม่ําเสมอแล้วพลังของจิตมันจะเพิ่มขึ้นคือสมาธิมันจะเพิ่มขึ้ น, อ น, นนะตอนที่มันจะข้าม ภูมิจากภูถุชนไปโล ก, กุตระภูมิเลยเนะี่ยจิตมันต้องมีพลังแต่เป็นพลังที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่พลังที่เกิดจากการเพ่งสะสมไปเรื่อยๆดีใช่ได้แต่สมาธิมันมีแค่สี่สิบเปอร์ซเองยังขาดอีกเยอะนะแบ่งเวลาไห้ทาในรูปแบบอา้าใครจะ เขาไม่ส่งเพาเราว่ามาหนูไม่ส่งกันบ้านใช่ไหมไม่ส่งก็เราว่ามาหลวงพ่อช่วยสอนเขาหน่อยฮะช่วยสอนเขา อ, อ้ยไปห่วงเขาอีก <laughs> <laughs> เขาเป็นอะไรกับเราเลกูลกตัวเท่ากันเลย <laughs> ใจยังฟุ้งอยู่นะให้หนู หายใจไปรู้สึกตัวไปเรื่อยๆนะทำใจสบายๆหายใจเข้าพูธหายใจออกโทไปหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราที่สําคัญนะคอยรู้คอยอ่านใจตัวเองบ่อยๆใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจจนตื่นเต้นก็รู้นะแล้วก็ถึงเวลาเราก็มาทำในรูปแบบหายใจเข้าพูธหายใจออกโทไป นอกจากเวลานี้เราก็คอยรู้เท่าทาันใจมันมีความรู้สึกโน้นนี้เกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยๆฝึก อ, อ, อย่างนี้ไม่นานก็จะได้ดีหรอกขอคำแนะนำด้วยค่ะเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะแนะแล้วตั้งแต่เช้าไปทำเอาคือบอกิทธาพุทโธพุทโธไว้อะคะ่ะแต่ว่าพอมัน <c oughs> ไม่มีกําลังก็จะเร่งพุโทโธให้เร็วขึ้นก็จะกลายเป็นอึดอัดพุโทโธให้เร็วเนะี่ยไม่ได้ทําให้อึดอัดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธพุทโธเห็นอึดอัดเลยไหมเหมือนเราอยากแบบออที่อึดอัดน่ะคืออยากต่างหายังไปโทษใส่พุโทโธอีก <laughs> แล้วก็เมื่อวานตอนมามาถึงวัดนะคะก็เห็นผลิกิตเกิดโมหะแล้วก็เห็นเห็นจิตอีกตัวนึงเห็นโมหะ แต่มันเกิดขึ้นแวบเดียวแล้วก็ไม่เกิดเลยอะของดีเกิดแวบเดียวถ้าเกิดนานๆของปลอมหลังหลังจากนั้นพยายามจะนั่งพุทโธพุทโธโลภแล้วให้รู้ทันว่ากําลังโลภรู้ไปเรื่อยๆเออเนี่ยโลภแล้วอยากให้มันมาอีกเลยอยากจะเห็นโมหะมาแล้วจะดูให้แวบเดียวหายอะไรเงี้ยมีความสุขรู้ว่าเป็นปิติก็ให้รู้แล้วก็ใเฉยดูไปปิติไม่ใช่จิตนะปิติเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูค่ะก็จะเห็นเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นปิติก็ดับค่ะสุขก็ดับเห็นไหมอุเบกขาก็ดับค่ะดีชั่วดับหมดโมหังก็เกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปแก้มันค่ะดูซิปล่อยอยู่ไปไม่ได้ปล่อยมันไว้รู้ทันมันไม่เหมือนกันนะปล่อยมันไว้กับรู้ทันมันรู้แล้วก็ให้เฉยไว้เออรู้แล้วไม่ต้องลงค่ะ หน้าที่ลาเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเราเรามีสติรู้ไปเรื่อยๆทำแค่นี้แหล ะ, ะเนี่ยภาวนาดีใช้ได้สังเกตไหมจิตมันมีความสุขผุดขึ้นมาได้เองเนระยะระยะนะอย่าประคองให้นิ่งตอนนี้ประคองลนะเมื่อกี้ตอนที่ยังไม่ได้คว้าใหม่นะจิตเป็นธรรมชาติเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปก็ เมื่อวานที่มาที่วัดก็ลองเดินกรรมาฐานดูครับท่านอาจารย์เดินกรรมาฐานก็ใช้ใช้ลมหายใจครับแล้วก็ดูจิตที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจะมีปัญหาตรงที่ว่าจิตดูจิตได้ช้าเกินไปคือเห็นเป็นบัญญัติยังไม่เห็นเป็นปรมัตอยากขอคำแนะนำอยากคิดมากได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอยากเห็นปรมัตมันก็ยากแหละในขณะที่อยากสติไม่เกิด เพั้นไม่เห็นหรอกนะมันเห็นตอนที่ไม่ได้อยากที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะแต่ว่าตอนนี้ผิดตอนนี้ประคองจิตอยู่อรับต่อไปครับก็ที่แรกก็ปฏิบัติดีครับแต่พอมาช่วงกลางๆนะมีความโลภมากอืมก็เลยตื่อกับคำสอนของหลวงพ่อมันก็เลยเกิดผล ไอเกิดโมหะก็ติดพบอะไรอย่างที่หลวงพ่อชี้มุกตะกีนะครับอแล้วตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาครับฝึกไปนะแล้วเราก็จะเจริญบ้างเสื่อมบ้างสลับกันไปถ้าภาวนาแล้วเจริญอย่างเดียวหรือเจริญคงที่เนี่ยใช้ไม่ได้ะภาวนาไม่มีนักปฏิบัติคนไหนหรอกที่ภาวนาแล้วเจริญรวดเดียว จเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมนะใจมันถึงจะเข้าใจธรรมะถ้ะาภาวนาแล้วมีแต่จเจริญไม่มีเสื่อมใช้ไม่ได้หรอกจะหลงผิดว่ากูเก่งตอนนี้บังคับจิตอยู่รู้ไหมบังคับจิตอยู่นะให้รู้ทันว่าบังคับของโยมน้่น่ะจิตหลงไปคิดรู้ไหมโยมที่ใส่แว่นนะ่ะจิตมันหลงไปคิดรู้ทันมัน ดูมันทํางานไปไม่เพ่งให้นิ่งนะหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้รู้ให้ไวหน่อยเท่านั้นแหละไม่ได้ห้ามว่าห้ามหลงนะหลงได้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างเนี้ยแล้วเราจะได้เจริญอยากพูดแล้วรู้สึกไหมมันมีแรงดันขึ้นกลางหนะ้าอกเนี้ยแรงดันขึ้นมาขึ้นหัวเรานะมาบงการเรานะอย่าไปเชื่อมันรู้ทันมันนะแค่เห็นเนี้ยเห็นไหมความอยากพูดแต่เคี้ยงมันดับไปแล้ว โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรมันเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ว่ามันมินดันขึ้นมาแล้วมันก็ดับนะถ้ารู้ไม่ทันมันจะครอบงาใจเราเพระนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้อย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเขานี่สภาวะจะเกิดได้ถ้าเราไม่ไปทำจิตให้นิ่งอยู่เฉยๆนะนั้นจิตที่นิ่งอยู่เฉยๆจะไม่เห็นเกิดดับนะ อย่างเมื่อกี้เราไม่ได้ทันคิดเรื่องภาวนาจิตก็หนีไปคิดอย่างเงี้ยพอคหลวงพ่อคุยด้วยนะเราไม่ได้ยังไม่ได้ภาวนาจิตมันก็อยากพูดอยากถามอะไรขึ้นมาความอยากมันก็ผุดขึ้นมาแต่ถ้าเรานั่งเพ่งอยู่เนี้ยนะไม่มีความอยากไม่มีอะไรสักอย่างเฉยเฉ ย, ฉยปัญญามจะไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ได้เพ่งไว้เนี้ยพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อย่างหลวงพ่อคุยด้วยนะกระทบอารมณ์ละ ใจมันก็กระเทือนไหวขึ้นมาทํางานขึ้นมาเราก็จะเห็นเลจิตนี้มันไม่เที่ยงนะเมื่อกี้มันนิ่งๆตอนนี้มันไม่นิ่งอะไรอย่างเนีน้อย่างนั้นถึงจะใช้ได้ไปฝึกเอานะไม่ต้องถามแล้วถามแล้วมันจะฟุ้งเอ้าความแน่นขึ้นมาที่คอละเออมันนานหน่อยรอนาน <c oughs> ใช่เราเหมือนเตรียมตัวมาแล้วก็เมื่อวานนี้เห็นหลวงพ่อก็รู้สึกว่าตัวเองมันมีกระปิติ โดยโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าตอนมันเริ่มขึ้นเยอะๆก็รู้ละเดี๋ยวน้าตาไหลละมันธรรมดานะครับเผลอมันต้องเผลอตอนไม่รู้ตัวนั่นแหละครับใครมันจะเผลอตอนรู้ตัวก็ครับแล้วก็ส่วนพอโดยโดยหน้าที่งานมันก็จะต้องคิดเยอะอืมันเลยเหมือนมาที่นี่เมื่อวานนี้ก็มันเหมือนกับคิดแล้วก็สลับตลอดทั้งเรื่องงานกับบ้านก็ไปทำมั้นนะใช่ถึงเราคิดเรื่องงานเราก็ไม่ได้คิดตลอดเวลา มีช่วงเวลาที่เผลอนะเยอะเลยใช่ครับนะเ <c oughs> ดี๋ยวบอกว่างานเยอะเลยน ะ, <c oughs> นะวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดเรื่องงานไม่เท่าไหร่หรอกนะมันเผลอซะเยอ ะ, ยอะใช่ครับเผลอเรารู้เผลอเล่ารู้ไัยวัยหน่อยครับได้ครับเ <นะ S 1> <c oughs> มื่อกี้มียกมืออยู่คนเดียวมามัสการหลวงพ่อครับอืม ขอน้อมถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาครับส่งกันบ้านครั้งแรกครับผมฟัง YouTube หลวงพ่อแล้วก็ใช้วิธีดูจิตที่มันไหลไปตา ม, มช่องทางต่างๆครับแต่ว่าบางทีมันเหมือนกับเวลาเกิดสภาวะบางทีมันชอบไปคิดนำว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องดับไปเลยนะให้รู้ทันนะตรงที่คิดนำนะคือจิตฟุ้งซ่านรู้ลงไปเลยลว่าจิตฟุ้งซ่าน ไม่ห้ามนะสังเกตไหมมันคิดนำมันก็คิดเองมันได้เองนะให้รู้ทันว่าจิตฟุงสานแค่นั้นนะสบายแล้วครับที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะไปดูจิตใจต่อไปเรื่อยๆอย่าเลิกซะละครับแล้วขออีกหนึ่งคำถามนะครับแล้วบางทีเหมือนเวลาเราดูสมมติว่ามันไปเกิดที่หูใช่ไหมครับแล้วพอมันย้ายสมมติว่าย้ายไปอยู่ที่เท้าเงี้ยครับ พอเราเห็นตรงที่หูดับไปเกิดที่เท้าวันนี้คือถูกถูกไหมครับถูกแต่ความจริงมันมีอีกตัวหนึ่งเราเห็นจิตไปอยู่ที่หูนะมันมีจิตที่เป็นตัวรู้อยู่นะแล้วเสร จ, จิตที่เป็นตัวรู้ดับจิตมันไปเกิดที่เท้าเรามีสติมีตัวรู้ขึ้นมารู้ว่าจิตไปเกิดที่เท้าเห็นหมมันมีรู้สลับไปเรื่อยๆมีรู้มาขั้นเรื่อยๆทางอายตนะทั้งหลายนะไปทางตา แล้วก็เกิดจิตรู้ว่าเมื่อกี้ไปทางตาไปทางหูแล้วก็เกิดจิตรู้ว่าเมื่อกี้นี้ไปทางหูไปอยู่ที่เท้ามีจิตรู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้มีจิตที่เท้าจิตที่ไปทางทวารทั้งหกเนี่ยแล้วก็จิตที่รู้เนี่ยมนคนละดวงกันนะจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจเป็นผู้รู้อยู่เกิดแล้วก็ดับ มันเกิดตรงไหนมันดับตรงนั้นเราอย่าไปคิดว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาวิ่งกลับมาวิ่งลงไปที่ขานะไม่ได้มีดวงเดียวแต่มันเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆเกิดที่ตาแล้วก็เกิดจิตที่ใจรู้ว่าเมื่อกี้จิตแต่ที่ตาจิตที่ตาหนะดับไปแล้วเกิดจิตดวงใหม่แล้วจิตมันมีทีละดวงนะแล้วมันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วไม่ได้มีดวงเดียวเพราะเราจะไม่รักษาจิตนะ ไม่ใช่ว่าจิตวิ่งไปที่ตาแล้วเราไปดึงคืนมาถ้าเราไปดึงคืนมาจะแน่นเลยนะ uh huh. จะแน่นๆจิตวิ่งไปอยู่ที่เท้าไปดึงคืนมามันจะแน่นๆน่นะจิตไปอยู่ที่เท้าพี่จิตไปอยู่ที่กายนั่นเองจิตไปวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปรู้รสวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายทั้งตัวเนี่ยแล้วก็ทางานทางใจเช่นไปคิด หรือว่าเป็นจิตรู้จิตรู้ก็เกิดทางใจเป็นจิ ต, จจต เ, เกิดทางใจจิตคิดก็เกิดทางใจนงั้นทางใจเนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วเลยครับขอบความเมตตาผมลงชื่อบวชไว้ตอนเดือนมีนาปีอะไรนะผมลงชื่อบวชไว้ตอนเดือนมีนาปีหน้าครับขอบความเมตตาหลวงพ่อด้วยครับอ๋อหลวง พ, <ต>พ่อเห็นเห็นห ร, รูปแล<ะ>้วต้องอ บ, บอกพระอาจ า, นานะรย์น้าขอขอบคุณครับหลวงพ่ออนุมัติไม่ได้ฮะ พหลพ่อไม่รู้ว่ากุติบ้างไหมนะไปถามพระอาจารย์อาอยู่พราะนาได้ละเอียดอยู่ดีหมดเวลาแล้วล่ะสิบโมงแล้วนะ